เทศอบรมพระวันที่สิบธันวาคม2520พูดเรื่องกันดีฝันว่าเราตายก่อนโรคหัวใจเราจะกำเริบปี19พูดภาษาอีสานจากนั้นพูดเรื่องถ่ายท้องที่บ้านน้องผือถึงเ9ปอร์เซ์จะตายในเทศนี้เสียงเพลงในบ้านกวนมากจากครึ่งไปเริ่มเทศเรื่องดุ เรื่องดีพูดเรื่องอาจารย์มั่นดุตอนพระไปเอาไม้ไผ่ไม่ลาท่านพูดเรื่องสะพานหนูกับอาจารย์มั่นพูดเรื่องซ่อนเล็บไว้เวลาอยู่กับท่านนี่ห้ามอัดออกนอกวัดแต่ฟังได้บ้างบางคนวันวนี้สิบคำกันหนึ่งเพราะไม่อห็นนะวันน้แปดคำม วันว pues, pues, pues, ันว yeah, ันที่เจ็ดแปดคำมันฝันก้อนขึ้นผมึำได้ไม่ได้มันฝันมาขุมตายมันมันวันวันวันที่แปดเขาวันที่หกเเปิดออกไปขึ้นวันมันมันมันมันบอกผก็เลยเปิดออกไขึ้นวันที่หกสินหาทั้งกลุ่มคำย่านทั้งคำเล็กคําึงมันก็เริ่มทั้งวันที่หกน่ะ นั่นที่เจอปัญหาของมันเป็นมนำผอนหน้ามือน่องกำหนดแล้วแปกับคามผนน้าเปิดแสงตะกุนผมตายไปตายมันมีชดมันจะมีชด่อผมบอก่ไมดเป็นเลยมันรองบ้ามันไป มันวัดสมีสมาหออกสมีโซัดสมี้รเจ้าคระอหันทั้งหลายมวัดร่วมกันกระจายกันมาตั้งแต่นี่นะเยอะเองเขาือนเขาอ่อนความสวกศคุณนักสมีสมาหความสวางของพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระอรหันต์ทั้งหลายลงมากันทรงลงมาขันทรงรับกั้นนี่ของของมันมันว่า มันขึ้นหมูนี่ของโตก็ออกสูงมันออกตรงแสงสว่างมันสั่นนี่แหะโตขึ้นขึ้นหมูนี่มันออกเลยหมมันว่าย่านดีเดันออกตรงแสงสว่างจ้าจำเนส่วนใัจำเน้ยนี่พอสะดุ้งตื่นมากโตสวอื่นอย่างไรมันทั้งอัจฉริย์เรื่องคำพันธุ์บงอย่างท่านพิศุกขาจันทร์นังเงาหนิ พอกำฝันมันค่อยแน่ค่อยแน่เลวฟันเรื่องไหนมันแน่เลยมั่งนี่ฟันทีนท่ย่นคนป่วยหลายอย่างนันหลอยู่ๆมัเคคกเปล่นมัเกี่ยวคือเก่าเหนี่ั้ทั้ ง, ท, งทั้งดีใจทั้งเสียใจดวง ข, งวงงขง่ขึ้นนอนไมเลยแตอื่นตลอดแจ่มเลยขงขึ้นพกของเล่นปิดหูติดตายทั้งสองอย่าง เรืพูนตายก็ลงลนัดตรงนี้ก็หนุนวิต๊ยันพูปวความขั้นปันเชื่อปดระังั้ขั้นเร่งตายเร่งหนึงันปวยโดดเองวผู้นั้นปวยมานี่ยนี่คณพมที่เข็่กับแมนวันวันหล่นั้นที่ล่มันทั้งปีเป็นเันเป็นมากโหนักด้วกันแต่เพ้งเก่าที่แปปเส้น ไม่ถึงกอดิเก่าเหมือนองค์พิธีวั น, อ, น, น, อ, น, อ, นอันนั้นกอดิเก่านั่นเป็นอนวมตถุเนี่เป็นเครื่องะอะไรแต่กัดตายอย่างสำคัญเราพิจารณาในการตี่ตาของน้ำดวงจิตมันขาดจากอะไรแล้วมาเป็นลำดับๆก่อสั้ ง, งาขาดโดยทัดเจนกัอสรานมันต่ออะไรแล้ น, นี่ทราบทางด้านปฏิบัติระหว่างอารมณ์ระหว่าง ร่มที่เคยเกี่ยวข้องกั น, นกมากน้อยคนตันขายกันเป็นหนึ่ประเทศนี้จิตเป็นประเทศของสิ่งหนึ่งนา น, นเป็นานมัน ม, มันมันมันไม่ทราบเมืตายนีน่มันจะเป็นยังไงขณะที่ตายกิริยาระหว่างขังกับจิตมันจะเป็นยังไงอื เราไม่สร้างตอนที่นเป็นเมืองผุมันทั้งสร้างวทนามันสร้างเราถ่ายทังยี่ห้าผมอาเคียนสองอาเจียนข้างที่สองนี้มันพุ่งจะปั่นฮิดฟ้ามันได้ยังไได้ต้นกาลังจะมีนี่มันนั้อาเจียนทังกระน่ทุ่งพุ่ ง, งไปสาหัวุ่แรงมนันนน น้ำไล่ไอตับถึงพุ่งไปติดฝาติดฝา เ, าเา ม, ามื oney, ่ตก่ขาอาหารไม่กินเลยไม่กินเลยเคเล็สดยังเล็น้อยหลังจกนั้นมนันมากมันมากทายไม่ก็กินไปทายาอาเกียนเขาต้องนั่งออกบนเขาต้มนหน่อยบางทีนั่งไปมันก็พุ่งไปติดฝาพุ่งพุ่งพุ่งเตะกันีกันตึงกระตั้ง เป็น่อแล้วนี่มนเป็นแผ่นกระดานเลยออจหาม้องไอ้หามเยรืไคือมันเต็มที่เยนี่นะทำันเหนือยหงดีเพราันมันกข้นมยพ่อมอะไรเรื่อมันมีมืนล่งมีขึ้นพ่อมกันพ่อมันได้เข่าของจิตความในผูส ห, หูทับขึ้นหมดเลยนี่อวัยวะนี่ไม่ใช่ว่าหูบวกตาบอด น, นะ น, น, นมันเลยหมกไม่บอดร่างกายมันเป็นท่อนไม้เพื่อนมันก็เลย่อยที่ตาตาบอดนี่ทุกมู้นเรารับตาไงมันได้เห็นมือมือใ น, ในตาไม่เห็นวัตถุมันก็เห็นมืดอยู่ในตาของตัวเองเช่นหูห่วงนี่มันไม่ไมันก็ไดยินตึงๆมันตังอยู่ภายในตัวเองอันนี้มันหมดมันเป็นท่อนไมเ้เต็มร่างกายทุกส่วนเป็นท่อนไมเ้เต็ม คือไม่มีความรู้สึกยี่มันหดตัวอมาหรือถ้าความรู้มัน่องทุกเวทนาที่สะอาดดับมดห<ม>นังตรงนี้ที่มันรู้ได้ชัดเขาคนเราถ้ามีสติแล้วขนะมันจะไปจริงจริงแล้วทุกเวทนาทต้องดับมดคือมันปล่อยก่อนมันก็ไปปล่อยความรับผิดชอบแต่ปล่อยมานหลายอย่างคืออันหนึ่ง ธรรมชาติรรมตันปล่อยความรบชอบแต่อุปทานาไม่ปล่อยอุปทานทางนิกิตไม่ปล่อยที่อะไรๆเขาบรายนจิตมันไม่ปล่อยกรรมนิบากกรรมมันไม่ปล่อยภนอกจิตมันกินกันที่ตรง้แต่กินนี่มันปรากฏเร่งองนี้ไม่ปรากฏดับหมดเหลือแตู่กลูกก็สับนสนมีช่บมีใสอะไร อย่ ưa, ่น่ตมนไ่ตได้นะเข้าไปถึงหลังแ้นหยุดกเลยคิดนะเ่นาราดร่างกายก็ดับอดถ้ามันดิบเครือยับนึงมันก็ไปนั่นเดียว่้าถเก้าเถ้าคื่อยับทั้งัไปอันนี้มันไม่เคลืนมันเบงก็ไปไปรือ ความรัิชอบมถอนมาเข้ามาถอนความริชความรู้สึกส่วนปษสาทต่างๆมอนหมนต่างๆที่มันริงกัางถอนหมดเลิกติดใจเรื่องนี้มันต้องยึดกับนี้ไปเรื่อยหนั้นนยึดตัวได้มันจะไปเรื่อยๆทุกหมดแล้วทุกกรหมดแล้วทุกส่วนร่างกายหตาก็ไปแต่ว่าไปก็ไป ดูีทีมันก็จะตั้งใจให้ปัปเอาไ ป, าไปก็ไปกำหดเฉพาะเ่อกมันก็เป็นพลังสมมติอันนี้นกะารกำหดเป็นสมมติตั้งขาาึ้นมแทนที่มันจะไปมันกลับมีกำลงังมนไม่ไม่ถึงหนึ่งาทีกำหนดไปกระสานไว้อี่ทีรู้ หลับยืดหูได้ยินตาเห็นถ้าฟังตามมันก็เห็นร่างกายก็ที่เวท น, นาก็เกิดร่างกายรู้สึกเวต น, นากเกิดขึ้นข้างไหนเพราว่าเวทนาทเขา้ามัรถเท่าดเดิมเดียวเก้าจุดเก้าเพอันนี้ไม่ถึงนั่นนี่ทุกเวท น, นาสาหะอยู่ในภายในหัวใจมันอ่อนเต็มที่ยังไม่มีกําลังอยู่ร่า ง, งกายหมดกําลังมันมันอ่อนอยู่ภายในมันเพี ย, ยน นีกรุงกลางพิจารณานี้นั่ง น, นั่งอะไรยังงก้าวที่เปิดตัวนี้มันอ่อนหมดทางกาตอนมันร่วงลงไปอย่ตอนที่จะ ก, ก้าวขึ้นมาตรงนี้เราไม่ได้ยืนเราโยลอกตัวเพราะเรารู้อยู่แล้วเนี่เราไม่แน่ใจห้าปการก้าวคนนี้ไม่แน่ใจว่าจะก้าวขึ้นมา มีอยู่ห้าเปอร์เซ็นจะลองฝืนลองดูถ้าเราแน่ใจก็กล้าขึ้นมาไน้ที่ลรเก้าขึ้นบันไดที่ละขั้นละขั้นกล้าขั้นไหนเราไปอยู่ทุกคนกล้าเราไม่ได้ก้าเดินขึ้นไปเรากล้าตัวย่อๆของมันเป็นยงไงมันก็นั่งอย่างนั้นเพื่อแทนว่ามันอยู่เฉียงขึ้นระกล้าไหนขั้นไหนล้าก็พักไปขึไปโดยทั่งถึงนั่นแหละเราก็กล้าของมันไม่ ฝืนลองดูในห้าเนี่ฝ huh. so, uh ืนูืนก็เป็นดาีพอกล้ามวูเกี่ยงหมดกำลังวูกื้อเกือเพิมนั่นเลยไม่ล้ไปอย่งนี้นี่สติสตังก็มีกำลังพอที่จะสร้างทานเลยนิดๆเหมือนก็มีพอมพอร่มนี่ก็พิมพ์กำลังมีน้อยเท่านั้นนันลมหายใจมันก็จะไม่มีสูดลมหายใจเหมือนอากาศทีนไม่มี หเหมือนไม่มีลมหายใจคือมันหมดกําลังขนาดนั้นคืนอยังไง อ, อากาศที่เราจะสูดลงให้สูดเข้าไปเป็นลมหายใจนี่นะมันมีแต่กําลังที่จะสูดเอาลมเอา อ, อ, อากาศเข้ามาหายใจเนี่ยมันไม่มีกําลังนี่ไม่มีดังกลิ่นเหมือนว่าลมไม่มีอากาศไม่มีโล่งไปหมดความจริงกาลังของเราไม่มีที่จะสูดออกมันก็เป็นมากพอควรที่มันฝันก่อน ใก้ตคนฟันัังนันไ่เคยฟังไม่เคยเชื good ่อเขอเเฮ้ยญี่ปุ่นยเฮอือเป็นห่วพวกสัตว์งอะไรน จะหาผ้าที่นาผ้าสวยทั้งตัวเป็นต่าบางพานผ้าก่อนจะไปที่นาผาโนจับอะไแล้วไม่มีปัญหามันก็เป็นนีเดือนอะไรบนะิ๊ันวาเลยงานธุรดิจนะอืม มันไม่อีตงเดือนกว่าเฮ้ อ, อ, อไม่ถึงเดือนนะค่ำสลายที่เจสบแปดกเกิดเดือนนเกิดเดือนค่านาอิษังันทีน่นีมันมันเป็นมากินเช่นเราคำนวณอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรากรองคำาวณไปเรืองน้องๆมันเป็นมันหน่อยมันผมที่แบบทิ้งร่ออะไรอ่างเลย ขนนี้บัญชีนั้นบัญชีนี้มาผงดูผงดูแล้วกรองดูตามบัญชีตรงอยู่ตรงหงอมมันเป็นคือมันแท้สัญญาตกละจ้องดึงมันนี่ลงไปโลกมันมันมันยาบแต่ถ้ามันพิจารณาไก่กรองอัดนี่ไม่เป็นเนี่ยมันแตกกันนะอารมณ์ของธรรมอารมณ์ของโลกเป็นถูกกันหมือนกัน่างเรากําหนดพุทโธพุทโธนี่กับความคิดนั่นอ่ะมันก็เป็นสังขารเหมือนกัน แต่ความคิดนั้นมันทําติตใจมันหลงว่าวุ่นของส่วนความคิดความปรุงคําพัดคำเช่นบริกรรมพุกโทพุกโธเป็นต้นมันไม่เป็นคําปรุงนี้มันจะทําให้สงบได้ความปรุงอย่างนั้นอย่างโลกนั้นมันทําตให้ฟุ้ ง, ง, งเป็นอางไมเป็นทุกได้จึงแบบทั้งขานพุทไทยทั้งขานของโธมากผิดกันพุทโทโธมันเป็นทั้งขันใหญ่มาก เราคิดเรื่องนัตรนี้นั่งขาขวายมุทัย เ, เ, เคิดตรงนี้มันเป็นเรื่องโรคมันจึงทำให้เหนื่อยเหนื่อยหัวใจนั่นก็เนื่อยเนวันไหนนะน ก, นกตามันงก็มนมันเป็อย่างนี้นก็รู้สึยืนลพังดีงไม่ยุ่งหลังโลกุ เงยนบาญชีอะไรอะไรเป็นอะไรอย่าให้เรายุ่งเลยเรืคิดเรื่ออ่านเกี่ยวกับเรื่องการนอกมันไม่เข้ากันกับโรคอันนี้่ะมันกระเทือนกันนาะถ้าอยู่สบางสบายกะไก่กรองตามอัดดำทำนั้นมันลื่นเดินไปส่วนมุมอะไรมันลื่นเดิรไปพิจารณาไก่กองตามคาดตามขันส่วนนั้นส่วนนี้ไปมันเพลินเป็นความลื่นลมของกิตเป็นนี่หารละพัน สบายสบายว้ามาในการนเออแล้วพระองค์ที่มาใหม่ว่าไงไหนไปไหนว่าไงยังมาเตือถามมันันนี้พราองค์ก็สบายที่พระะบอกไว้เครื่องามากนรับผูไปจักนิ้วข้าหับอามากเป็นผูเครื่งบอกคำระวินี่งันเนนิวข้าหักหายคถูกปักเพิ่มักเพิ่มมันเป้ขาหกนึงกมก็นน้า ก็คหากระพุเป็นวทอดเปชื่อเที่ยวโนอาสุยากุฏอืปกหงคนี่ยมีหาแน่นี่ว่าจะข้าพระเจ้าวา้าจะลบคำที่ได้รับ่ารวิจารออกเสีอทั้งทั้งที่มีผลก็่ากับคาของทิเจ้าออกไม่ระเว้นตามหลักธรรมตทั mm ้งเลยแล้วจะความดีมาจากไหนัผู้มาอบรมศึกษา ในขนเราอย่างนี้เรามั่นเอย่างนี้เมื่อควรบุกแล้วต้องบุกน่ะเมื่อควันดีแล้วต้องดีควันทมก็ต้องกมันติดต้องติดช่วงบุกต้องกไม่ควับุกบุกกระทำบุอดุผลอ่ะของดีอยู่แล้วท่านได้เป็นสาวนี่ท่านทำเป็นทำลายเรื่องเลวร้อนเป็นอย่างดีแล้ว ไปฟันมันทิ้งไมปถากมันทำไมถากเาถากเพต้นเลยึ้นมันยังไม่เป็นเสาเลยไม้ต้นหนึ่งที่พขาจะมาทำเปเสาสลาร์นต้นทั้งเสียงเขาถากม้เจิดต้นต้นนี้เลยดังลั่นปากเขาถากมันทำไมเขถากเพื่อความเสืียรความแรงเพื่อความดีความถูกต้อง ของช่างที่เห็นว่าอันไป่ควรไม่คคดงอที่ไหนต้องถากที่ตรงนั้นที่มันก่งแย่ก่อนยังถากไปนินึ่ไม่ใช่ก่มแ้วก่อเอามันทั้งเปลือกเปลือกก็ไม่ใช่ของดีเอาไว้ก่อนต้องถากออกแ่ไม่ถากให้มันสถากเพื่อเอามันไม่รู้ตีเลต้องตัง้ง ภาคว่างันเาตีกันกว่จะไปมีเป็นขวั่มาแต่เรื่องเรื่องนี้พันนาช่างให้นเงินแตกองตอเ็กจะนขวั่มาได้ช้าเรื่อยสอนคนจะให้เป็นคนดีทั้งคนสอนทรัเงนให้เป so ็น so ด so ีทั้งโอมนมาให้มีเสียงจังดุจังดาว่ากันมีอย่างเยอนั่นหลักมีอย่างนี้ พะพุทธเจ้าขับพระวัคคารินี่นใหละขับเพื่อทำความที่หาจากพระวะรัคคาริหรือขับเพื่ออะไรเราถห็แยกในตำรา ห, รหาที่แยกในนั้แล้วก็เพาะองค์เรียนประความพระวัคคาริให้สาเร็จสุนมกุลนิพพานขับไปเพื่อจะให้สุนมกุลนิพพานนั่น เมื่อพระรีมาดูทำไมดูลูเราจะขาพว่าเพ่งเหมือนกับผู้เป็ั่วไปอันเป็นความปฏิปุญหนักอยู่ทั้งนั้นหาความได้งานที่ไหนเป็นความเห็นติดโมฆะทิ่สุกมาดูในสิ่งไม่ดูมาสำคัญในสิ่งไม่สำคัญห น, นีเดี๋ยวนี้หลัง มีประโยชน์มุ่งต้นต้นสิเราะเลี้ยงเป็นโดดขึ้นภูเขาขึ้นู่ภูเขาแล pues ้วเป็นโดดตรงนี้นะตายเพ้าะเขาดูความน้อยใจพรองคทรงเป็นพระชนม์นี Connell ้เลยนะว่าคราวนี้เราจะช่วยช่วยเสริสอนธรรมะเพิ่มบริหารข้นเขายึประคองกันได้แับพระบริจาคไม่จะขับไล่พวกความทุกหมาย เพื่อให้มาตายอย่างนี้เราไม่ได้ขับเทอเพ้ามาลกมาหาศาลตายอย่างนี้สุอๆนี่เราขับเทือกเพื่อเป็นประยชนตรงผมย อ, เ ก, อมมกเป็นศัพท์ยาขรื่องสอเท่าที่ได้ําเร็จมากมสานได้ไหมหลักมีมากนักดึงนี่เพิ่มแ้มวมันเป็นการเรื่องเรื่องเด่นตลอด เราทหลักวิน <Ừ. S 1> ัยมีแบบมีจะบอกเราจะหลักนำาดักทำหวนมากสองหนึ่งร่วงเราจะเน้นมากก็จะเน้นดบบนั้นเราอยู่คุบาการก็ได้ผ่านร่วงดรื่วงด่าทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วมันใช่คุบวาการข้างหลังน่าจะอยู่ตัวด่าแต่เรามาพุทธิชื่นยานุด่าโดยฐานเห็กคนไม่ด้อย่างนี้นดุดาก็ดุดางเรื่องหนึ่วเองสองเอาแค่เป็นตัวผ่านลวกท่านการม่านยุง ว่าคนเก่งแล้วผมก็ผมดูแต่ละครั้งละ้งโอ้โตัวตข็งใครยืนที่ไหนยืนอยนั่นแข็งไปหมดนี่เราเห็นต่อหน้าต่อตาเนะกางวันจะเสียท่านเดินกับหลอกมาต้องไปเลี้ยงเลี้ยงตรงนันมีหมายถึงมันเด่นเด่นถ้าองค์ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไนยืนตัวแข็งเลยองค์หนึ่งกําลังกองน้าจะถังมันนั่งแา็งน้ำอยู่เป็นพักคือกองน้ำมันน้ำน้ำไหน มาก อ, องหน้าน่ยมานั่งถาันคอยท่านจักจั๊กหน่อยเดินเลยนั่ ง, เ, งเขมแข็งตรงนี้เพราเอาั่นก็เลยยนแข็งนั่งหน้ามาเลยนั่งตัวแข็งนั่งองคหนึ่งมาสิดทำไมนั่งสูงกว่าท่านจางโดดตูมไม่มีสติทั้งโดดลงไม่มีสติทั้งนั่งู่ขนาดนั่งก็มีสติลืมตัวท่านมานยืนอยู่ต่ำกว่าเราอ่านนั่งสูงว่าท่นไม่รู้ตัวท่านก็ไม่มาสนใจอะไรว่านั่งสูนงนั่งต่าท่านสนใจเรื่องขวามา เออเออเลยเอานี่เนะพระเนรนี้ออกจากรดไปหามาในป่านั่นน่ะได้บอกใครได้ลัครเออพวกทานขอที่สจากครเมาลบจะขอบคาเป็นไม่ได้คานึงถึงผูบาการไม่คำนึงถึงหลักธรรมหอกยไงมันเป็นขอบเขตของพรรคของเงินตลอดทั้งผู้ปกครองปฏิบัติต่อกันอ่คหัลอเอออแล้วอนาื่นเลอ เขาอยากจับไข่เขาอยากจะบไข่าขาลาไขา่ไม่มีทางออกที่นี่ก็ลาท่านมาหาบัวท่านหาบัวเป็นผู้ไห้กัสายท่านเหลอสังเกตุสายปุ๊เขาบีบหนักเขาบีบที่นี่ตายทมันเอากวาบเป็นมัดอยู่แล้วไม่มีทางไปาทานธรรมดาท่านพิว่าว่าเราท่านไม่ได้ตั้งใจจะมาว่าเ ดังนั้นส่ายนี้ให้มันถังเมื่ออ่านถึเราก็ต้องเอามาต่อีกทีทำไ ม, มเราเราคิดที่เดียวเมืม่ออ้าวมัน้นมันต้องยังไม่ขูดขูดฟันแล้วหนังหนังตายีปอยูหักหนีหนึ่งปนามนใานีใส่หนึ่พอว่านแะล้าก็จะป็นดับง ก็เป to <Ừ S 1> ็นภาพเผิดจริงๆมีอันหนึ่งที่พอผมจะออกได้อืประกาศเรียนท่านไม่เป็นไม่เป็นคํารุงถ้าไม่มีนี้เลยผมก็ต้องยอมตายเนี่ยโอนั้องไตายเลยผมก็จะบอกว่าผมก็จะพูดถึงจมูกวานทึงไม่ใช่เป็นการลานวันนี้ใช่ไมันก็อีกไม่ฮะว่าเหมือนตอนนี้มาเมาอีกครับว่าถ้ามาเมาอี่กจะต้องบอกคู่บ่าจ่ายใช่ไหมไม่ใช่บ้านแต่ไม่เี่ย ไม่เป็นแบบ อ, อย่งมั่ยังนี้เพื่อไหมประทับไม่ให้ตาก็นนอนกองิ้งแดดนานไ ม, ไมเไผผมว่าพาใไปเที่ยวลาท่านไปสิ่นแม่เมันหมดผมก็เลยต่าคนวัดบ้านหลังต้องมาเอาน้ย่เดียวคนมาไปหายังนานัาน้นแต่อันนี้ผมไม่ได้ถือเป็นอ้างว่าลาท่านลาผม คืออะไรนะนั่นผมเอาการนั้นนะท่านท่านเข้าห้องแล้วท่านมาบอกอ เ, เอ๊ะทำไมไม่ได้การนะั้นเราไปเอาอะไรรีบมานะแล้วเอาไม้ท่านประตูมาด้วยนีอะไปคํางําเอาจากผมไม้เนี่ยประตูเนี่ยมันหักไปอันนะึ่งแล้วมีม่อันไม้ประตูออกวัดแลวม่านใส่เื่ อ, อ, อหักอันหนึ่ไป ผมก็เลยได้ออกงี้ยไปกาบเรียนท่นท า, านสอนเท่าสาระท่านมาไปแล้วไปทำามารมากรากุณดาจังก็จะจ่ในการรถควรกัามากับผมก็เลยรวมตัวเลยให้ไปแล้ว เ, เห็นไม้ประตูนี่มันนันมันหักแล้วฉับมันเข้ามาเ บ, บิเกเลยน่าจะเอาไม้นีมาด้วยพอปิก็บผมก็กกกยอมรับหมดแต่แล้วก็ เวลาขึ้นไปนี่ผมเห็นอาการทังท่านวัดท่านไม่ตั้งใจว่าผมเลยท่านตั้งใจเข็ น, นนะพระธรรมพอซึ่งท่านกิริยาเหล่านั้นท่านไม่เคยใช้กับผมธรรมนาธรรมณะวันนั่งขึ้นไปโอ้ยท่านทําอาการยิ้มแย้มแจ่มใสกับเรา<ม>พอมาดูพระเดียวดีแล้วเราก็ขึ้นไปเราขึ้นไปแก้พระให้หนึ่งใครจะขึ้นไปหนะาเขาขึ้นเดีเดียวเขาขึ้นไป ออไปเอกนเอท า, านมาาท่านน้ำร้อนนีอ่อ๋อนั่นอ๋อนันาก็คุยไปน่นคุยไปนี่ไปเรื่อยถึงท่านไปเลยซึ่งไม่เคยอีกคงก็รู้แล้วเราจะหากัดพูดเรื่องนี้เมื่อไรพูดเมื่อไรจนกระั่งท่านมีพอท่านคงคงกลับมาน่นนิ่ ง, น, งนิดหนึ่งเราก็ไปหาามาพูดท่นนานตรงนั้นนี้ไปแล้วเราก็เริ่มเดินนี้ขึ้นมา เอร่องเลยมันขึ้นมาแล้วก็ม้อกัดหลายตัวเลย้วเล่าผิดแล้วบอกมือเช้านี่ก็ผมได้ผิดจริงๆได้ยอมแล้วว่าผิดได้หมูเพื่อนไปแล้วมูเพื่อนตายเพอเห็นันหนั้นนั้นนั้นก็พูดถึงนไม้ที่มันมีหนกคนเขาจะมาเอาเล้วกพมีทางอะไรรีบให้ภาพไปเอาทางเช่เนี่ยไปก็ไปตอนสากตอนี่ผมพูดกานเขาห้องได้ไหม เราก็จะเป็นการรบกวนให้ทะเลาะอยู่กับผัวไหมเขาจะไมมไปก็เลยทําเป็นใจเอาไปเลยบรรยกาศเยี่ยมง่อยก็เลยปล่อยให้ไฟเขาผมอยู่ตรงนี้ยอมรับหมดเฮอไมไ่เป็นไรเยอะพอพูดเป็นประโยนชน์เขาประยชน์เขาบอกเออเป็นไรท่านกัไปนุ่นอีกเนี่ย น, นุ่นยังไม่จบนะคือท่านก็ไมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยท่านกับไปท่านที่ททท น, นี่รามันมันยังมีงความผิดเต็มเกลื่อนนี่ พอท่านมาอีกเราก็พูดเรื่องหรือขยับนี้เขาไปอีกท่านว่าจะไปเลยเฮ้ยนั่นกไปนั่นไปโน่นอีกไปเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องเก่าเรื่องแก่นั่นไปเลยซึ่งท่านไม่เคยดูกระผมโดยเฉพาะท่านจะพูดแจะทำมาด้วนๆเพราะท่านเคยเห็นผพภมขึ้นไปสองสแล้วท่านจะพูดธรรมะทันทีเลยเพราะรุ่นนใส่ผวันนี้ใส่ผมถ้าเรื่นี้ใส่ผมเป็นนั่น ถ้ามี่านเองกินนั้นด้วยแล้วเรื่องของผมจะไม่พูดเลยสาหรับผมเองท่านก็ไม่เคยถามผมเลยเรื่องปัญหาธรรมะเป็นยังไงใจอย่างนี้เปต้นจะไม่ถามเลยเราก็ไม่ไปเอ่มันทัไม่รแลมีแต่ท่านกับเราเอาละคุณเสียงลั่นเันแต่ลั่นเฉพาะสอง้อยสคนอื่นได้ยินก็ได้ยินตอนนั้นล้วลุ้มเินมาตามใต้ของศิษยในวัดการใหม่าจถ้าเท่โันที่ใดก็เลยนันล้นสายผม มันหาความจริงจริงนีกลัวก็ครูกลัวบาการแต e sheep, to to ่หลักเหตุผลนี่เป็นหลักสำคัญที่เราต้องการอย่างยิ่งเพื่อความเปิดทางเราไปท่านจะหนักขนาดไหนก็คือการเปิดทางให้เราเท่านั้นนะเราคินั้นนะกูมาก็เหมือนว่าดึงท่านมาอีกตรงทาก็เหมือนเรื่องกนาวไม่ใชไหมเฮ้ยกนามาให้แล้วขับขับหนีแลอยนี้แล้วับหนีะไรเดี้ยวเราต้อไปอี้ต้น้ยบขนาดมนไป ในทุกเรื่องทุล้วว่ามันทราบเลนนั่นนั่นนันจะเริ่มตัวถับานั่นกระถุงท่านอีกน้องสภาพผืดมีแต่ผมเราไปตัดพอร้องนั้นเลยมันมีทางไหนถ้าผิดจะบินทิ้งมาผมทิ้งมาผมผมยอมรับทุกอย่างแต่มันก็มีช่องที่จะยอมรับโดยไม่ไม่มีความผงแฝงมันมีเงื่อนที่จะจําได้อย่างที่ว่าจับขึ้นฝักเลียนท่านได้อย่างที่เราว่าขออนุญาตให้ไป ถ้าผมว่าอยากไปนัน่งนิพพานมานั้นก็ไปไม่ได้จะพูดผมได้อย่เพราะท่านพระนั่นก็เคารุผมเหมือนกันด อ, อยู่กับท่านอาจารมั่มาตราไม่มีองค์ไหนที่มากรืลอกผมได้กลัวผมเหมือนกันจ้องหน้าตรงจ้องตายในรูปไหนหลงติดไปคลื้เหมือนกันเพราะเราเอาจริงเอาจังเราชี้แจงเหตุผลทุกถึงอย่างมากอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เล่ามาเองทั้งหมดนะ นัประชุมรับประชุมหนูสภานุแล้วก็ประชุมปร่วยที่รับย ล, ล, ลงดาวเรื่องว่าเรียกพ่านเองมันการขัดข้อไมัสะดวกได้ไม่สะดวกตารามองเห็นเรืยกมาเตือนอากให้เุ็นข้อหนักใจไปถึงท่านนะแล้วมาเองทั้งนั้นท่านอยู่บนลำฟ้าท่านเห็นไหมท่านอยู่ภูเขาที่ไหน เ, น, เ น, น, นี่ยมันเคิจนใจกระเพาะีรุมมาใครกระุมมาลุมมามาแล้วมาท่านทำมท่านหนักนกนันไะด้ั้ะ เอาไนเรืยเนบไปเรืยเพื่อขอวัดเข้าาเหมือนกัคไนดเด่นดังๆก็นอนแอ้มถุงเนบด้วยขอวัดปิบัติเราที่ต้องเป็นหัวหน้าอกรเพื่อนเหมือนเป็นลูกเผยใหม่ๆนำมืเพื่อนทุกขมากผมพูดถ้องอยู่กับพ่อแม่ราจากย์ทุเกี่ยวกับผมทุกอเพื่อน ดึงหมู่เพื่อนยากเพ่นนั่นจะเป็นความหนักใจเราเราไม่หนักใจผู้ทุนเดินหรือเรืเ่องด่ังใครจะเจ๋งยิ่กว่าท่านสามาแต่เราหาแย่งที่ไหนมีแย่งไม่ได้ถ้ามีที่แย่งก็ตั้งหมดผู้หาอาณาักรมหาไลยนั่นหาอะไรนะัะนุ่ยอมยอมยอมมันถึงใจนียนเวลานานไไปท่านไม่ได้ดุไม่ไม่ไดุนี่มันไมไ่ฟังธรรมะผเพี้นร้นอนเด็ด เราเองมีอ um ุมาแบบบ้าเราสอนนั้งสอนนิ้วขินบางขินบางเดี๋ยวท่านเป่าแม่งมากระเตียงเอาละหนักเดี๋ยคุณท่านดูท่านดูเรานี่มากกเพื่อนท่านก็ทราบลรวก็ทราบวาสิ่งที่เสียหายเกิดความเสียหายให้ท่านดูนั้นมีอะไรเราก็ทราบเราเหมือนเราเป็นล่งกระกความสนิทใจล่งกระดูกไป ก็เด็กกนมาท่านก็รู้ในสายเราาเราจังนี่กินกางแค่ไหนก็ไม่กินกันแค่ไหนท่านก็รู้เองท่านจะดูเราดูไปนันถึงมากที่เดียวเรื่องาหาเรื่องคอร์สปฏบันินั่นอยู่ที่แท็กกองทนเนี่ยของตัดส่วนกนอะไรก็มี ผม ไ, ไมพูคมู่้อนคหมู่พราได้ดูแล้วเจลจากันด้วยกันมี่เวลาอยู่ครูบาอาจารย์นี้มันส่อนเล่กนะออกจากครูบาอาจารย์แล้วมันจะเล่นเตมเพงนะใครมีเพงไหนเกแบบิไหนนี่ใไหนมันจะไปใช้เติมคุมมันจะขายครูบาอาจารย์ว่าว่าเ่อก็ว่าแล้วมันก็เป็นยางไเห็นไหมใครเล่นเล่นเเพงไคํามี่ครูบาอาจารย์เมื่อไหร่มันผิดไหมล่ะไม่ผิด ดูก็อยู่ตรงนั้นมันรู้ใครองค์ไหนยืน้องแข่งงไหนต้งแข่ไหนมันรู้เติตาน้อยะดวกงบายที่เคยอยู่ด้วยกันท่านนิพพานแม่ท่านแม่ิบาตอยู่กบขางคนดโคกมะนาวก็ตามไปูมนัเข้ามาตรงมามาทเพ่ออยงน้เวลามาทก็อมามง้อยูท่านจางกับท่าน้ แคนไหนหนึ่งๆก็มีอย่างจรงนั่งนั่งไรอย่นี่หน่คันวันนี่ก็เป็นผู้ปฏิบัติบาทท่านนเป็นยังไงก็เป็นยังไงทำตัวขังอย่างนี้นนนอ ย, ย, อยขังมากนะหายเลย ยิงได้หรือว่ามีบอลนั่นยิงโอนโคุณเึ้นเยอะหมงอนว่ามีหมอนเลยเดี๋ยวนี้เรื่องของกิเดสมันเลื่นเมื่อมันพองตัวเท่าหนูกันเลยพองขึ้นเหมือนว่าตัวเท่าช้างได้ั้างกินมากระตัวเท่าหนูนั่นแหละความสาคัญเป็งเรื่องกิเลสทั้งนั้นถ้าเรอาทำมันล้นี้ยไม่ตื่นหรว่าถ้าเราิ้นเลยถ้ามหาพรหมลงมาก็ไม่ตื่นตื่นอะไรถ้ามหากรหมกาบนำ ทำแลวเท่ามาคมยิ่งวิสุที่ทําภายในใจเป็นภูมิไปแล้วนั่นแหละมีเท่านั้นไม่มียนไเหนือนั้นเลยว่าอะไรๆก็เหมือนเหมือนกันหมดัม่จงทุกขนอาตาที่นารู่แหลมหม้อแหลมหม้อเต็มอกข้างเต็มข้างต็มข้างตั้ง คุณยิ้จะวลดคุณหลงจะหลดดาวเทียมได้ไปไหนว่างเฉอย่างเรานี่เราตั้งเร า, าได้ฟาดลกตั้งม<า><า>ือจะรวุดมือดาวเทียมเรก็ตั้งได้แต่เราก็จบทั่งจับอย่างนี้มันยากตั้งตื่นไปที่เรียนหลวงพุทธธรรมที่เรียกก็หลงกันที่เรียนหลงที่เรีย่อย มันพอตัวแล้วมันตื่นตื่นชมก็ได้เกิดข้อเทาตั้งยึดันจะจะแดงก็ออกไปว่าหมายความไม่หรอกหมาคามไม่อย่างนี้เขาชมเราอ้เขาก็มีรานี่เมื่อเขาต้มีไ้วยใจดำไปเหมือนฐานไฟไม่มีไฟพอน้นเ่าวจนฐานมีไฟก็แดงโลกงขนห่อยมันคือเรื่องไม่ดี คือไม่พอดีขาดจิตไม่พอดีที่อย่างเดียวหลอกจ้าของเขาว่ามันตีความหมายอเพราะว่าไม่ดีเหมือนเจะาของไม่ดีจริงๆก็โกรธเขาด้วยถ้าาเหมือนเจ้าของไม่ดีโกรธเขายิ่งทำลายตัวใหญ่มโมโอโถโถมขัขขนม้นงันลาติดใจยังไงปะ ผมพูดเรื่องดัคำนี้